ได้บวชอยู่วัดเมื่อปีพศ .2531 ผมมีโอกาสได้บวชจำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อผมกราบเรียนท่นานก็ถามว่ามึงจะบวชจริงๆเหรอเพื่อให้ท่านแน่ใจผมจึงกราบเรียนว่าผมจะบวชจริงๆครับท่านรับทราบในขณะนั้นมีพระอยู่เต็มวัดไม่มีกุฏิว่างหลวงตาท่านให้ความเป็นธรรมกับพระทุกองในวัดเท่ากันผมภูมิใจมากที่หลวงตา ในให้ความยุติธรรมกับทุกคนใครๆก็อยากอยู่วัดป่าบ้านตาดพยายามทุกทางที่จะอยู่กับท่านจะให้ท่านทำอย่างไรได้จะให้ท่านไล่พระออกได้อย่างไรเพราะพระที่วัดก็อยู่กุฏิองละหลังองละหลังอยู่แล้วจะให้ท่านไปชี้ใหองค์นี้ไปเสียจะเอาคนนี้เป็นแขกว i p พี VIP, มาบวชคุณจะต้องไปอยู่ที่อื่นท่านไม่ทำตอนที่ผมบวชกุฏิเต็มหมด หลวงตาท่านก็ปรกกับหลวงปู่ลีบอกกับท่านว่ามึกมันจะบวชหลวงตาพูดกับหลวงปู่ลีอยู่สองสามครั้งหลวงปู่ลีจึงต้องออกไปจำวัดที่อื่นให้โอกาสผมได้บวชอยู่ที่วัดหากหลวงปู่ลีท่านไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นผมคงไม่มีโอกาสได้บวชอยู่กับท่านในช่วงนั้นหลวงตาท่านยังแข็งแรงท่านออกมาเทศให้พระฟังตอนกลางคืนท่านถามผมว่ารู้เรื่องไ้ย นั่งหลับเวลาฟังเทศหรือเปล่าละ่ะหลวงตาท่านสึกให้ผมและทำน้ำมนต์พรมให้ผมด้วยผมภูมิใจมากแม้กระทั่งตอนที่ทำบุญบ้านผมก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านทำน้ำมนต์ให้ผมผมยังเก็บน้ำมนต์อยู่จนทุกวันนี้